ภาวนาเนี่ยต้องให้ความสนใจให้มากเพเป็นงานหลักของเรางานหลักก็คืองานหลักของใจงานอย่างอื่นเป็นงานปลีกย่อยงานภาวนาเป็นงานหลักก็มีความสนใจใเป็นพิเศษ ต้องตั้งออกตั้งใจต้องให้โอกาสกับตัวเองเป็นพิเศษเร่วมภาวนานเพราะนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราโดยแท้อย่างอื่นอาจจะมีแต่สิ่งพัฒนาชีวิตแต่อันนี้มันเป็นการพัฒนาจิตใจแล้วก็พัฒนามาในทางที่ดีที่งามที่ถูกต้องเพื่อความสุขความเจริญแก่จิตใจ แก่ชีวิตกิจใจอย่างแท้จริงเภาวนานเรามีโอกาสวัดเราเป็นวัดป่าเป็นวัดภาวนานพยายามให้โอกาสกับตัวเองให้มากอย่าที่เกี่ยวที่คลานมีเวลาเสียดายเวลาทันทีอยู่ที่กุฏิเห็นที่นั่งเสียดายภาวนาปุ๊บปั๊บนั่งทันที ลงไปเห็นทางจงกรมปุ๊บปั๊บเดินจงกรมทันทีนั่งก็ตั้งใจนั่งเดินก็ตั้งใจเดินเพื่อให้งานตอนอ่อเนื่องเพื่อใงานเจริญก่อเงิององงในในหัวใจของเราเราสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยหากระยะเวลานานๆไปแล้วเราจะเห็นผลมันจะมีผลปรากฏกับเราถึงตอนนี้หากทําไปถู่ ท, ท, ท, ท ỡ, ไถ่ไถสลับเปลเปิดไป ยังไม่ค่อยได้เรื่องได้ราอะไรเท่าไหร่แต่ขอให้อยู่ในการตั้ง อ, อกตั้งใจเป็นการสะสมเป็นการสั่งสมเป็นการอบรมเป็นการบ่มนิสัยไปอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมันอยากที่เน้นมื่อเช้านี่หละเม่อเชาพยายามเน้นให้สน อ, อกสนใจให้ตั้ง อ, อกตั้งใจ อย่าทะเลาะไหลออกนอกนอกทางอันนั้นก็นอกออกอันนี้ก็ออกเรื่องนั้นก็ออกเรื่องนี้ก็ออกออกนอกทางไปเรื่อยออกนอกศีลถึงขั้นออกนอกศีลด้วยแล้วนี่ยาบกยากมากเพรามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิริยากายกิริยาวาจา พอมาถึงกิริยากายพอมาถึงกิริยาวาจานี้ก็ถือว่าหยาบแล้วอแสดงกิริยากายกิริยาวาจานี้ก็ถือว่าหยาบแล้วยิ่งสแสดงกิริยาล่งละเมิดศีลด้วยกิริยากายด้วยด้วยกิริยาวาจาด้วยก็ยิ่งหยาบเข้าไปหยาบมากๆทีเดียวหยาบจนเอาไม่อยู่นี่ต้องระวังให้ดี เพราะสิ่งนี้เป็นรั้วรอบขอบชิดเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสร้างรั้วรอบข้างของเราเนี่ยแล้วท่านบอกว่าเดินไปทางน้นเดินไปทางโน้นไปสู่มรรคสู่ผลสู่นิพพานนอกจากท่านชี้ทางบอกแล้วท่านก็นสร้างรั้วกั้นขอบสองข้างทางเ่ไม่ให้เราออกนอกลูนอกทางเนเพื่อระบุเพื่อบอไปถึงนู้น ถ้าเปิดเ็นการต้อนวัวเป็นการไล่วัวไล่ควายหรือไล่สัตว์อะไรไล่ไปอยู่ในคอกไล่ไปไล่ไปเพื่อไม่ให้มันออกจากคอกพระองค์ต้อนลุกซิ์ของพระองค์ก็เช่นเดียวกันสร้างเป็นรั้วรอบขอบชิดขึ้นมาเป็นสืนอถ้าผิดศินแล้วมันก็ไม่ปกติแล้วมันผิดปกติมันผิด ป, ปกติกาย มันผิดปกติวาจาไอ้คำว่าผิดปกติดิหมายความว่ามันไม่เป็นไปในกายยะสุจริตแล้วมันไม่เป็นไปในวัจียะสุจริตแล้วมันเป็นวัจีทุจริตคําว่าทุจริตก็คือชั่วออกนอกสินนอกธรรมวัจีทุจริตคําว่ากายทุจริต หมายความว่ากายออกนอกสินนอกธรรมมันทุจริตแล้วกายทุจริตวจีทุจริตเป็นการออกนอกสินนอกธรรมแล้วไปไม่ถึงไหนแล้วโดดคอ้อทำลายค้อ ข, ของพระองค์ในเมื่อโดดข้อแล้วก็ต้องออกจากออกจากข้อเมื่อออกจากค้อแล้วออกจากทาง เมื่อออกจากทางแล้วฉไหนเลยจะไปถึงหนทางที่พระองค์ชี้บอกมันไปไม่ถึงเรามาดูวันนี้เป็นภาพพจน์เป็นอุปมาไว้เราดูและให้เข็ดให้หลาบเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่ท่านพาภาวนาพาปฏิบัติท่านรักษาหญิงสิ้ยิ่งกว่าชีวิตยิ่งกว่าจามรี ร, รักษาขนมันจามรีเคยเห็นไหมจามรี เราไปจีนคราวที่แล้วเราไปเห็นจารมรีเป็นฟุ้งๆเลยจารมรีก็คือวัว น, นี่แหละวัวกระทิงเนี่ยแต่มันอยู่ในที่หนาวขนยาวขนสามนิ้วสี่นิ้วขนมันขนยาวปุกปุยมันทนหนาวเขาสั้นๆเป็นควายนั่นแหล ะ, แ, หละแต่มันลักษณะคล้ายๆวัวเขาสั้นๆ เทาประมาณฟุตกว่าๆอย่างยาวที่สูดก็สองฟุตเทาเล็กๆสั้นๆแลแหลมลักษณะคล้ายๆวัวคล้ายๆวัวกระทิงแต่มันเป็นควายแล้วก็เขาเรียกอย่างว่าจามรีจามรีก็เหมือนควายเราดีๆนี่แหละแต่ลักษณะมันป้อมๆจะว่าครควายก็าไม่ใช่จะว่าหัวก็าไม่ใช่เขาเรียกจามรี รักษาศีลเหมือนจำมารีรักขนรักษาขนของมันมันไม่กล้าไปถูให้ให้ให้ขนมันร่วงเพราะมันรักษาขนของมันขนมันช่วยมันช่วยกันหนาวได้ส่วนมากมันอยู่เขตหนาวไอ้พวกที่มันอยู่เขตหนาวส่วนมากมันไม่มีอะไรอย่างอื่นมันเลี้ยงมันเลี้ยงแกะกับเลี้ยงจำมารีกินแกะกินจำมารีจนเหม็น มีกลิ่นตัวระเมืองหนาวอย่างเมืองจีนเนี่ยมันไม่ต้องแช่ตู้เย็นมันตัดเอามาเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆเท่ากับครุ่นเนี่ยชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ห้อยเอาไว้ห้อยอไว้ตรงหน้าบ้านนั่นแหละห้อยตากแดดตากฝนใ้ที่แจ้งในกลางแจ้งนั่นแหละเพราะมันหนาวตลอดอ่ พวกแมลพวกสัตว์พวกอะไรก็ไม่ตองเน่าก็ไม่เนา่าเวลาต้องการก็ไปปาดมาทำทากินไปเห็นหน้าร้านมันห้อยไว้เต็มห้อยไว้ง่ายๆไม่ต้องใส่ตู้ยตเย็นอะไรตู้เย็นไม่มีแท่ไมนมีใช้เพอากาศมันเย็นนี่เราพูดถึงจามรีจามรีรักษาขนเราไปเห็นแล้วละจามรีขนมันหนาปุกปุย กันหนาวได้มนรักษาไว้เพื่อป้องกันหนาวถ้าเรามาเทียบกับเราตั้งใจรักษาศีลก็เพื่อป้องกันป้องกันการทำลายเคอาะของตัวเองทำลายรั้วของตัวเองทาลายข้อของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อที่จะต้อนเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าท่านทรงชีว่ชียเอาไว้ ดวงตาท่านจึงเปรียบเทียบชัดเจนมากสินเป็นรั้วรอบขอบคิดสองฝากทางกันไม่ให้เราออกนอกลู่นอกทางไปตรงแนวไปสวนทางเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพานเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติศึกษาเรื่องสินได้มากได้น้อยขนาดไหนเพียงใดเอามาถือเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติตามนั้นได้หมดไม่ลงละเมิดเมแต่อาบัต เล็กๆน้อยๆปรับอบัตทุกกฎปรับอบัตทุภาสิตซึ่งเป็นอบัตที่เล็กที่สุดอะทุภาสิตนี่ท<ช><ช>่าก็ปรับอบัตเล็กๆน้อยๆนี่ก็ต้องถือเป็นข้อที่ระมัดระวังทั้งหมดถ้าหากมีความรู้มีความเข้าใจแล้วถือปฏิบัติตามได้หมดไม่ใช่จําเป็นจะต้องถือแต่ปฏิบัติศี่ขาบทใหญ่ๆอย่างปาชิกสี่สังกาที่สี่สิบสาม นี่ยศสองนิยศสองเนี่ยนิสกีปายตีสามสิบปายตีเก้าสิบสองไม่ใช่ถือเฉพาะสิกขาบทต่างๆเหล่านั้นเป็นสิกขาบทใหญ่แม้สิกขาบทเล็กๆเสกีวัตเจ็ดสิบห้าเสกวัตเจ็สิบห้าเนี่ยบางข้อต้องอบัตถุรจใจบางข้ อ, อต้องอบัตทุ ก, กฎ บางข้อต้องอวบถุพาสิทในเสกียวัตเจ็ดสิบห้าเนี่ยนี่คือในพระปาทิโมกสินสองอยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็เป็นรั้วรอบขอบชิดน ะ, ะสมมติเราสแสดงกิริยากายอย่างหนึ่งสแสดงกิริยาวาจายอย่างหนึ่งมันเป็นเหตุหลงละเมิดสีขาบทใดสีขาบทหนึ่งนับตั้งแต่หนักไปถึงเบาหรือะนับตั้งแต่เบามาถึงหนัก หนักก็คือปาราชิกสนะี่นั่นรองลงไปหนักแต่ แ, ต ก, แก้ไขได้สังคารทเสิบสาม3ีสามข้อหนักรองลงไปอีกนิสสุคยปยติสามสิบหนักรองลงไปอีกอปยติเก้าสิบสองปยติเทศริยะสี่หนักรองลงไปอีกเสคียวัตรเจ็ดสิบห้าเมื่อเราต้องและต้องอะบัดทุกกด อันนี้ในพระปติโมกข์สองี่สิบเจ็ดสำหรับเจข้อนั้นเป็นอธิกรณะสมถะเป็นข้อจะพึงออกจากอาบัติเรียกว่ า, าเครื่องระงับอธิกรเครื่องระงับอธิกรทั้งเจอย่างนะอธิกรณะสมถะอธิกรณะหมายถึงอธิกรณ์นะสมถะคือสงบอธิกรณะสมถะเครื่องยังอธิกรให้สงบเจอย่าง เวลามีอธิกรณ์เกิดขึ้นมันเป็นวิธีการปฏิบัติมันเป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์เจอย่างนี้แต่ท่านก็นับเป็นสีขาบทเช่นเดียวกันอันนี้ไม่มีการปรับอับัตหรอกสีขาบทใดก็ไม่ใช่เป็นการปรับอับัติแต่มันเป็นวิธีการระงับอธิกรณ์ในพระปาฏิโมกข์นอกพระปาฏิโมกข์อีกสินนอกพระปาฏิโมกข์นะคือไม่ได้มาในพระปาฏิโมกข์ที่เราสวดทุกถึเดือน อันนี้ก็เป็นจำนวนมากห้าร้อยกว่าศิขบทห้าร้อยกว่ากว่าขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ท่านพูดถึงข้อปฏิบัติที่เป็นอภิสมายายานความประพฤตตลกขนองความประพฤติเล่นเหมือนเด็กอภิสมายายานอภิสมายายานคือข้อปฏิบัติ ที่มากำกับส่วนที่เป็นปลีกเป็นย่อยลงไปอีกเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ตั้งใจประพฤติธปฏิบัตินี่ท่านศึกษารู้ข้อใดท่านถือเป็นข้อปฏิบัติหมดถือข้อใดเป็นข้อปฏิบัติหมดไม่การล่วงละเมิดแม้แต่สีขาวบทใดสีขาวบทหนึ่งตั้งแต่อัปบาทหนักไปถึงอัปบาทเบาเบาที่สุดว่าแต่ว่าผิดอัปบาทข้อนั้นข้อนี้แล้วไม่การล่วงละเมิดเนี่ย อันนี้ก็คือแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าจะว่าไปแล้วก็คือจะเปรียบเป็นขนจามารีกับเหมือนขนจำมารีแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นเพื่อช่วยให้ตัวมันอบอุ่นท่านันเองช่วยเพื่อช่วยให้ตัวจำมารีมันอบอุ่นจากหนาวมันอยู่ในที่หนาวาเราหนาวเหมือนกันแหละเรายอมเราไปดึงออก ดึง น, นั้นออกดึงอันนี้ออกดึงสีคราบบทนั่นออกดึงสีคราบทนี้ออกหนาวนั่นแหละหนาวจนจนอยู่ไม่ได้นั่นแหละยิ่งมาดึงเินสีคาบบทใหญ่ๆออกอา้าวพราชีศีหนาวเลยอันนี้อยู่ไม่ได้อืมหนาวต้องโดดแจ่นนี้แหละนี่เป็นข้อเปรียบเทียบให้เราเกิดความเข้าใจรักศีลยิ่งด้วยชีวิตเหมือนจามรีรักษาขนศีลมันเกื้อกูล ศีลมันเกื้อกูลกับการภาวนาศีลมันเกื้อกูลกับการรักษาจิตกิริยาที่ลงละเมิดอศีลถือว่าเป็นกิริยาที่หยาบมเมื่อเราปักใจมั่นในการรักษาศีลเต็มเปี่ยมเต็มที่แล้วเราก็พยายามมาขุดคุ้ยไปในจิตของเราเนี่ยจิตของเรามันไม่สงบอืม ระวังกายสําบูรณ์กายก็สัมบูรณ์มาแล้วกายกรรมวิจีกรรมสัมบูรณ์กายก็เป็นการสัรมบูรณ์กายกรรมไปในตัวสัวมบูรณ์วิจีกรรมก็เป็นการสําบูรว์วาจาไปในตัวอการลงละเมิดทางกายก็ตามทางวจาจาก็ตามนอกจากผิดศีลแล้วก็เป็นการสร้างกรรมมันเป็นทวาร วจีทวารเป็นกายทวารเป็นทางสร้างกรรมสร้างกรรมกับตัวเองอย่าลืมว่าเรากลัดินกพลิกแผลงด้วยกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรรมทั้งนั้นแต่กรรมอย่างอื่นท่านไม่พูดถึงกรรมอย่างอื่นท่านไม่พูดถึงท่านพูดถึงกรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลกายบริสุทธิ์กายสุจริตนี่เป็นกุศล กายทุจริตเนี่ยเป็นอกุศลอพอเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปผิดข้อปฏิบัติที่เป็นกายะทุจริตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอกุศลเช่ <c oughs> นอย่างฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมฆ่าสัตว์มันเป็นอกุศลด้วยมันผิดศีลด้วยรักทรัพย์เป็นอกุศลด้วยมันผิดศีลด้วยประพฤติผิดในกาม อกุศลด้วยผิดศีลด้วยนี่พอเราทําลงไปแล้วเป็นกายกรรมเป็นกายะทุจริตเกิดกรรมผิดศีลด้วยแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวอีกด้วยนี่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันกับกรรมผูพันกับกรรมพูดให้เกิดความสัมพันธ์นกันกับกรรมนี่กายวจีกรรมหรือวกีกรรมสีเนี่ยพูดเท็จพูดยาพูดสเสียพูดโคยเจอ พูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเล่นสนุกสนานอย่างอื่นพูดเล่าพูดอะไรเลยพูดอะไรอย่างอื่นไปอย่างอื่นแต่ถ้าไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนี่ก็ไม่เป็นท่านไม่จัดเป็นวจีกรรมมันเป็นวิจิกรรมก็จริงอยู่แต่มันไม่เป็นโทษแต่กายกรรมเหล่านี้วจีกรรมเหล่านี้พอเราผิดแล้วมันเป็นโทษมันมีโทษท่านจึงเรียกว่า กายกรรมกายทุจริตวจียะทุจริตเป็นเหตุสร้างกรรมทางกายเป็นเหตุสร้างกรรมทางวาจามาละเอียดนะนเราพูดเรื่องสินสัมพันธ์นกันกับธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องพึงระวงัง ก, ก, กรุกริตริแผลงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกรรมทั้งนั้นแหะถ้าไม่ดีปั๊บเนี่ยเป็นกายกรรมกิริยาทางกายเป็นกายกรรมกิริยาทางวาจาคำพูดเป็นวจียกรรม พอมันเกิดกรรมข <cas> ึ้นมาแล้วมันมีวิบากเขาเรียกว่าวิบากกรรมวิบากก็คือผลเขาเรียกวผลของกรรมสมมติอย่างวันนี้เราทำสองครั้งอวันพรุ่งนี้เราทำสามครั้งอ่ามันบวกเข้าไปมันเพิ่มเข้าไปละเป็นห้าละวันหลังอีกทําเป็นสิบครั้งวันหลังทําอีกเป็นห้าสิบครั้งเป็นร้อยครั้งมันก็บวกก็ได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพเพเพราะอะไรเพราะใจมันเก็บกรรม ใจของคนคนเรานั่นแหละมันเก็บกรรมกรรมตัวนี้แหละจะมาคอยช่วยกดทวงให้จิตของเราเนี่ยหนักหนักหนาสาหัสอส่วนกรรมดีนั้นคอยมาช่วยพยุงจิตของเราให้เบาให้สูงขึ้นให้ละเอียดขึ้นในประณี้ขึ้นการกดลงให้หนักนั่นน่ะหนักเข้าไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปดึงไม่ขึ้นความทุกข์ตั้งหลายก็ตามมาทับถมอันนู้นก็ไม่ดีอัน น, นีก้ก็ขาดห้องอั น, อ น, นก็ขาดเขินโอ้สารพัด มีความทุกข์มันทับถมแต่ถ้าเป็นเรื่องดีอันนั้นก็เบาอันนี้ก็เบาอันนั้นก็ปลอดโปรอันนี้ก็แจ่มใสอันนั้นก็สุดวกอันนี้ก็สบายกรรมมันกดลงแล้วมันพยุงขึ้นอย่างนี้สิ่งแล้วนี้มันไม่เกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับใจใจเป็นคู่เป่นผู้เก็บใจเป็นพาชนะใจเป็นพายชนะใจเป็นหม้อเป็นไหเป็นตุ่มเป็นโอ่งสลับไจเป็นพาชนะ ตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ใจของเราก็เป็นพาชนะตราบใดที่เราหมดกิเลสพระอริยะเจ้าท่านหมดกิเลสท่านทําลายพาชนะพาชนะที่เก็บกรรมไม่มีแล้วหมดตัญหาหมดอุปาทานก็หมายความว่าท่านทําลายพาชนะของท่านทาําลายหม้อทําลายไหทําลายสิ่งที่มาคอยเก็บมาคอยกักคอยตุ้นกิริยาที่ท่านทําทางกาย ไม่ไม่มีผลเป็นวิบากกิริยาที่ท่านทําทางวาจาไม่มีผลเป็นวิบากไอ้คําว่าวิบากในชินี้หมายความว่าวิบากที่จะพึงส่งผลให้ท่านไปเกิดเป็นในพบนั้นในพบนี้ในพบน้อยในพบใหญ่ท่งไปอิ่ไม่ได้แล้วเพราะอุปาทานท่านไม่มีพบชาติของท่านจริงไม่มีอุปาทานอุปาทานเป็นปัใจจัยเกิดพบในเมื่อไม่มีอุปาทานพบของท่านก็ไม่มี เพราะหมายถึงที่เกิดเมื่อมีที่เกิดแล้วเราก็จะต้องไปเกิดเ้าเรียกว่าชาติชาติชาติคือความเกิดเมื่อเรามีที่เกิดแล้วเราจะต้องไปเกิดเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นเทวบุเทวดาเกิดเป็นอะไรก็คือเป็นอัตภาพนั้นๆได้อัตภาพไหนไหนมันก็เหมาะสมกับกรรมของตัวเองนั่นแหละกรรมดีมาก ก็ได้ความละเอียดไ ด, ได้ความประณีตได้รูปกายที่ละเอียดได้รูปกายที่ประนีตกรรมชั่วมากๆก็ได้รูปกายที่หยาบหยาบจนอไม่ได้เป็นมนุษย์แหละไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นอะไรไปอย่างนั้นแหละแต่ละอย่างระอย่างก็เป็นเพราะเป็นภูมิของเขาก็ไปสวยกรรมถามนั้นแหละ จะอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่กับกี่กันก็ตามอำนาจของกรรมนี่เราจะเห็นว่าต่างๆเหล่านี้มันจะสัมผัสสัมพันธ์กันไปหมดเกี่ยวกับเรื่องอำนาจของกรรมเทั้งนั้นพระพระริยเจ้าท่านทําลายพายชนะที่เก็บกรรมกิริยาที่ท่านทําศักดิ์แว่าเป็นกิริยาเท่านั้นแหละไม่มีผลส่งให้ท่านต้องไปเกิดต้องรับใช้ผลกรรมเก่าเช่นอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านถูกโจนจับไปทุบไ ป, ปตีจนตายเนี่ย ตอนหลังมาเยียวยาด้วยฌานด้วยสมาบัติด้วยอิ ท, ทรทิปเสร็จแล้วก็ไปลาภุริยาทูลลากราภูลาพระพุทธเจ้าสนักก็ไปปริพานที่กาลสิลาอันนี้ท่านรู้การของท่านเพราะอะไรเพราะอัตภาพร่างกายของท่านนั่นเป็นวิบากกรรมเก่าที่ท่านเคยทํามาตั้งแต่ปุริชานั่นแหละเคยฆ่าบิดาเคยฆ่ามารดาฆ่าพ่อฆ่าแม่ กรรมก็ให้ผลมาเรื่อยมาเรื่อยกี่กับกี่การกี่พบกี่ชาติไม่จบไม่สิน้นแม้แต่ชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์แล้ว อ, อัตภาพร่างกายของท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์เป็นที่ใจของท่านเป็นที่นามธรรมของท่านความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นที่กายมันเป็นที่ใจกายนั้นเป็นวิบากกรรมของกรรมเก่าเหมือนอย่างพวกเราทุกคนที่มีกายนั่งอยู่ด้ว ย, วยกันทุกคนนี้ กายนี้เป็นผลจากกรรมเก่าจากวิบากของกรรมเก่าในเมื่อเรากรรมเก่าเราทำมาแล้วเราได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะต้องได้มาเกิดอย่างนี้ได้รับความสุขอย่างนี้ได้รับความทุกข์อย่างนี้ได้รับความละเอียดพเนจรอย่างนี้ได้รับความหยาบอย่างนี้ก็ตามบุญตามกรรมอ่ะแหละบุญกรรมของเก่าเรื่องเก่าตั้งแต่เบื้องหลังเป็นอย่างนี้แต่เรื่องกรรมนั้นมันมีทั้งเรื่องของกรรมเก่ามันมีทั้งเรื่องของกรรมใหม่ ที่ท่านให้พึงระมัดระวังที่สุดก็คือพึงระมัดระวังกรรมใหม่ที่เราจะพึยแสดงออกทางกิริยากายกิริยาไหวจาแม้กิริยาจิตกิริยาทางใจที่นึกคิดอยู่ข้างในนั่นะการนึกคิดอยู่ข้างในไม่เป็นโทษกับใครแต่ถ้าใครคิดคิดคิ ด, คดนึกเรื่องอกุศลมากๆจิตใจคนนั้นก็จะก็จะถูกต่ตตตําลงต่ําลงต่ําลงเศร้าลงหมองลงหมองลงหมองลง อาจจะไม่ได้เดือดร้อนใครแต่ใจดวงนั้นทําลายตัวเองเดือดร้อนตัวเองอไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่ถ้าทะลักออกมาทางคําพูดวาจาก็เป็นเหตุเดือดร้อนถึงคนอื่นเดือดร้อนถึงตัวเองทะลักออกมาทางกายเดือดร้อนถึงคนอื่นเดือดร้อนทั้งตัวเองนี่ในประเภทกายทุจริตนะแต่ถ้าเป็นกายสุจริต ก, ก็ได้รับผลดีทั้งตัวเองได้รับผลดีทั้งคนอื่น สิ่งตาเหล่านี้มันเกี่ยวข้องมันผูกพันมันโยงระโยงระยางยงใหญ่กันเต็มไปหมดนี่เกี่ยวกับเรื่องอํานาจของกรรมมันละเอียดนะมันละเอียดมากมันลึกซึ้งมากกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมนึกคนเดียวบางทีด้วยเหตุที่นึกมากๆนี่แหละนึกมากๆคิดมากๆเดี๋ยวก็รู้อํานาจกรรมมันละต้องรุ้ไปทําตามที่มันนึกพานนึกทะทําสิ่งรุ่นทาสิ่งนี้ เพราะอะไรพรมันนึกมันปรุงมันคิดคิดนึกคิดปรุงปรุงแล้วก็เห็นดีเห็นชอบตามมันคิดนึกคิดชอบตรงถูกร่องของกิเลสมันก็ไหลไปตามช่องของกิเลสกิเลสพาคิดยิ่งคิดยิ่งไปยิ่งคิดมากยิ่งคิดไปคิดไปคิดไปอยู่สมอย่างคิดเรื่องพยาบาทเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งเปรียดยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นแค้นไปแค้นมาแค้นมาแค้นไป ต้องได้ลุกขึ้นไปเพื่อไปชำระแค้นอ่มันเป็นอย่างนั้นนะช่างเนี่ยรักก็เช่นเดียวกันอ่ะสมื่อคนสองคนรักกันเน่ยรักไปรักมานั่งคิดเรื่องเรื่องรักรักไปรักมารักมารักไปต้องได้ลุกไปเสนอรักตามที่มันพารักเห็นไหมทีแรกมันพานึกผาคิดต่อมามันก็แสดงออกรีเดียวมาทางกายเกิดมา แสดงทีเดียวมาทางวาจาไปพูดไปนึกไปคิดไปทําทางกายไปทําทางวาจามันมาจากอํานาจของจิตต้นตอที่แท้จริงก็คือจิตต้นตอของจิตก็คือผู้รู้คือทารู้ทารู้ของเราของท่านน่ะมันเป็นทารู้ที่ไม่บริสุทธิ์มีกิเลสติดมาด้วยมีกิเลสเคลือบแฝงมาด้วยเกิดตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไรเราก็สร้างไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่นทรงพยากรณ์ว่าอวิชชาปัจจะยาอวิชชาเป็นปัจจัยท่านไม่ได้ทรงพยากรณ์ว่าคนนั้นสร้างโลกคนนี้สร้างโลกคนนั้นสร้างสัตว์คนนี้สร้างคนคนนั้นสร้างนู้นสร้างนี้ท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นแม้แต่เขาตรัสอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นก็ว่าไม่ถูกโดยข้อเท็จจริงตามหลักความเป็นจริงแล้วมันไม่มีความจริงให้ปรากฏก็ว่าเอาปากเฉยๆท่านนั่นเอง พระพุทเจ้าท่านทรงพยากรณ์ว่าอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารในเมื่อความไม่ฉลาดของเรามีอยู่ภายในจิตของเราเร า, เราทําอย่างใดอย่างหนึ่งทําด้วยความรุ่มหลงเป็นสังขารขึ้นมาเมื่อเป็นสังขารขึ้นมามันก็ปรุงแต่งเลยก็เหมือนเรานึกเราคิดภายในจิตนั่นแหละปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาด้วยอํานาจของอวิชชาความไม่รู้เนะี่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นกิเลสหรือว่าเป็นธรรมเนี่ยว่าแต่มันอยากคิดก็คิดคีดคิด ค, ดคด เรื่องชอบสิ่งนู้นสิ่งนี้คิดไปคิดมาคิดมาคิดไปด้วยเหตุที่จิตนึกคิดชอบบ่อยๆเข้ามันกลายเป็นวิบากกรรมของจิตมันก็เพิ่มพลังขึ้นเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มนเพิ่มขึ้นในที่สุดมันก็ไปทํานี่เห็นไหมเห็นสังขารมันก่อตัวหรือยังสังขารมันกอตัวที่จิตนั่นทําไมเราถึงปรุงเพราะอาภิชามันพาให้เราปรุงเราไม่รู้ว่าเราปรุงอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ไป ท ำ, งงทำอย่างนั้นไปทําอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นข้อยกตัวอย่างว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเรานึกเราป yes รุงเราคิดเลยแต่ถ้าเราเรานึกเราคิดเราปรุงเรื่องธรรมเรื่องธรรมเป็นเรื่องสงบเป็นเรื่องระงับแต่เราคิดเรื่องกิเลสเป็นเรื่องลุบลามก็ให้เกิดความทุกข์ยากลําบากตามมาเรื่องธรรมนั้นเป็นเรื่องสงบเป็นเรื่องระงับ เป็นเรื่องงดเป็นเรื่องเว้นเป็นเรื่องสงบเป็นเรื่องสุขเป็นเรื่องหยุดมีเรื่องของธรรมหยุดอะไรล่ะหยุดโลภหยุดโกรธหยุดโลภหยุดโกรธนึกได้ระลึกได้จิตมีวิชานึกได้ระลึกได้คิดได้เออนึกอย่างนี้ไม่ดีไม่เป็นธรรมกลับมานึกอย่างนี้เออนึกอย่างนี้เป็นธรรมเช่นอย่างนึกยังไงล่ะ นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีผลเป็นทุกข์เป็นเวรเป็นวิบากเป็นภัยเป็นอะไรมีวิบากก็เป็นวิบากเป็นกุศลเป็นกุศลแลววิบากนึกพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีทุกข์ตามมานึกแบบนี้เป็นสังขารที่เป็นธรรมอเพราะฉะนั้นธรรมกับอธรรมนี่มันจะต่อสู้กันอยู่อย่างนี้แหละตลอดเมื่อเรานึกคิดเรานึกคิดเป็นธรรม มันเป็นวิชาวิชาวิชาแปลว่ารู้วิชาแปลว่ารู้รู้ว่าอะไรรู้ว่าดีรู้ว่าไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่ดีละรู้ว่าดีเอาโอคิดอย่างนี้ดีนึกอย่างนี้ดีทาอย่างนี้ดีดเห็นผลเห็นประโยชน์เห็นอานิสงค์นึกไปคิดไปปรุงไปพิจารณาไปภาวนาไปแยกแยะไป เราเห็นว่าวิชากับอวิชชาเนี่ยอเรามาพิจารณาในแง่นี้เราก็ทราบเราสามารถทราบไปถึงต้นตอภายในจิตของเราว่าจิตของเรานึกอยังไงเรารู้ตัวนึกอยังไงเราไม่รู้ตัวนึกอเพราเรารู้ตัวว่าเอื่อนี้ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องเราก็สงบครับแล้วก็กลายเป็นวิชาขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ทันมันนึกมันพานึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่รู้ทันมัน รู้ไม่เท่าทันมันมันพ่านนึกคิดปรุงไปจนกิเลสกาเริบเสบสารใหญ่โตจนหลวมตัวให้กับมันรู้อํานาจให้กับมันอันนี้คืออวิชชาผาปรุงไอสิ่งที่มันปรุงไปนั่นแหละคือตัวสังขารนั่นแหละอที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารในหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นนหะมันพิจารณาได้ตั้งแต่ธรรมะพื้นๆไปจนถึงธรรมะสูงสุดวิมุติถึงขั้น ถึงขั้นอรหัตตะมักถึงขั้น อ, ร ห, อรหัตตผลจะต้องพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์ของของสิ่งเหล่านี้แหละของหลักของปัจจยานี่แหละปัจจาการนี่แหละเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลพวกมันมันเป็นเหตุเป็นผลพวกมันวิจาเป็นปัจจัยเกิดสังขารมันเกิดสังขานี้เนี่ะปรุงไปแล้วเกิดทุกเกิดโทษปรุงไปแล้วเกิดเกิดเป็นธรรมขึ้นมาเกิดสุขเกิดสบายเกิดปลอดโปร่ง อยิ่งปรุงยิ่งนึกยิ่งคิดมันก็กิเลส ท, ทั้งหลายมันก็ยิ่งสงบไปมันก็ยิ่งระงับไปยิ่งระงับไปมันก็ยิ่งเพิ่มพูนความสงบแล้วก็เพิ่มพูนความสุขภายใ น, ในจิตใจของผู้นึกผู้คิดนั่นแหละอวิชาเป็นปจัจจัยเกิดสังขารทีนี้ในแ ง, ง่ของของพบของชาติะสังขารเป็นปจัจจัยเกิดวิญญาณเห็นมสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารวิญญาณในท่นี้หมายถึงวิญญาณภายในจิตของเรานั่นแหละ จิตของเราเนี่ยเป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลายเป็นวิญญาณขึ้นมารู้รู้ไม่บริสุทธนะิ์น่ะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดสังขาร ต, ตัววิญญาณตัวนี้เป็นผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรมีทั้งกิเลสเคลือบแฝงมาด้วยเป็นผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์สังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเมื่อไม่บริสุทธิ์มีทั้งรับรักมีทั้งชอบ มีทั้งชังอ่ามีทั้งโลภมีทั้งโกรธมีทั้งหลงอืมมีทั้งโลภมีทั้งโกรธมีทั้งหลงเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณจึงแสวงหานามสแสวงหารูปตัววิญญาณมันก็เป็นนามอยู่แล้วมันสแสวงหารูปใช่ไหมปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเราจะไปเกิดในภพไหนชาติไหนก็ตามมันต้องมีรูปแล้วก็มีนามเช่นอย่างในภพชาติอัตภาพ ของสัตว์เนี่ยสัตว์ในไรฉันเนี่ยมันก็มีรูปมีนามรูปก็คืออัตภาพร่างกายของมันนามก็คือชีวิตจิตก็คือจิตใจของมันคนเนี่ยรูปก็เป็นรูปอจิตใจก็เป็นนามเนี่ยพวกเปรตพวกสุรกายพวกอะไรต่ออะไรก็เช่นเดียวกันแหละมันมีรูปของมันมันมีนามของมันนามก็คือจิตนั่นแหละแต่ด้วยเหตุที่เป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์น่ะวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ก็เลยมีทั้งรูปมีทั้งนาม ยกเว้นพวกเดียวคือพวกพรหมที่พิจารณาอารูปกรรมาฐานในเราไปอบาติในโลกของพระพรหมเขาว่ามีแต่มีแ ต, มแต่มีแต่นามไม่มีรูปเขาเรียกว่าอารูปอารูปคือไม่มีรูปมันมีแต่นามไม่มีรูปพวกพรหมพวกนี้มีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คืออะไรก็คือกิริยาขอจิตน่ะผลิตผลของจิตนั่นแหละ กิเลสก็อมแปรอยู่ในนั้นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีรูปแล้วกิเลสจะไม่มีไม่ใช่เป็นนามกิเลสก็เต็มแปรอยู่ในนั้นแหละเช่นอย่างพวกผอมพวกพระผอมเพราะอะไรมันยังมีความโลภมีความโกรธมีความรุ่มหลงอยู่ในนั้นแหละเนื่องจากว่ามีจิตที่ไม่บริสุทธิ์ยังไม่ได้ชําระขัดเกลารให้เกิดความรู้ของตัวเองชําระขัดเกลาให้เกิดความสะอาดเออ ของตัวเองยังสกปรกอยู่นั่นแหล ะ, ะยังมัวอยู่นั่นแหละยังหมองอยู่นั่นะยังไม่ได้ใส ย, ยังไม่ได้สะอาดอยู่นั่นเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะนี่เราคิดเราพิจรารณาในแง่ปฏิจจสมุปบาทน ะ, ะนามรูปเ่ยคือร่างกายสมมุติร่างกายของเราเรามีรูปก็คือร่างกายนามก็คือจิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเี่ในจิตของเราเนี่ย เป็นรูปคือเป็นรูปเป็นปัจจ LIKE ัยเกิดอายตนะคือเครื่องต่อคือคือรูปมันมีเครื่องต่อเครื่องต่อคือตาหูจมูกลิ้นกายใจท้าเรียกว่าอายตนะแปลว่าเครื่องต่อตาก็ไปต่อกับรูปหูไปต่อกับเสียงมันเป็นเครื่องต่อของมันจมูกก็ไปต่อกับกลิ่นลิ้นก็ไปต่อกับรสตาให้ก็ต่อกับ สัมผัสถูกต้องแม้แต่จิตใจภายในข้างในลึกๆก็มีธรร ม, มารมณ์คือความน้อมนึกภายในใจนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องต่ออทํำไมจึงเป็นเครื่องต่อเพราะว่าจิตมันจะออกไปข้างนอกไปรู้เห็นนูน้นเห็นนี้ไปได้ยินนูน้นไปได้ยินนี้ไปได้กลิ่นนูน้นกลิ่นนี้ไปได้สัมผัสนูน้นสัมผัสนี้มันออกไปรับรู้เพื่อเสพสุขเข้ามาที่จิตของมันนั่นแหละ ตาอำนาจของกิเลสคือความอยากนั่นแหละมันออกไปเสพสุดทางตามันออกไปเสพสุขทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันผลักดันออกไปเรียกว่ า, าความทยานความอยากความอยากภายในจิตกิเลสคือความทยานอยากมันผลักดันออกมันถูกผลักดันออกไปทางตาไปเห็นรูปไปเกี่ยวข้องกับรูปไปรักรูปไปชังรูปหู ออกไปทางได้ยินเสียงก็ไปรักเสียงไปชังเสียงเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเพื่อจะไปเสพบสุขเสบสุขเข้ามาที่จิตถ้าถ้าถูกใจก็ยินดีพอใจถ้าไม่ถูกใจก็ขัดข้องหมองใจที่เรียว่าปฏิฆะปฏิฆะคือขัดข้องสรุปแล้วก็คือถ้าชอบใจถูกใจก็คือรักดึงเข้ามายึดเข้ามาถ้าไม่ถูกใจก็ชัง รักออกไปสายออกไปทําไมจะพ้นเร็วๆทําไมจะพ้นไวๆนี่คือทางที่จิตมันออกไปหาอยู่หากิน่นเป็นเหตุให้เกิดอาญตนะาอาญาตนะก็เป็นเหตุต่อมาอีกเป็นเหตุให้เกิดผัสสะเมื่อมีตาแล้วมันไปสัมผัสกับรูปหูแล้วก็ไปสัมผัสกับเสียงเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาน เวทนาตอนนี้เวทนาก็คือปฏิกริยาที่เกิดขึ้นระหว่างตาไปเห็นรูปยินดีพอใจเป็นสุขเวทนาไม่ยินดีไม่พอใจเป็นทุกขเวทนายินดีพอใจเป็นโสมนัสเวทนาไม่ยินดีไม่พอใจเป็นโทมนัสเวทนานี่เป็นภาษาศัพท์ทางทางทางธรรมะเนี่ยอันนี้คือ คือเวทนาเวทนามันเกิดขึ้นสุขเวทนาทุกขเวทนาเวทนาเป็นปันใจจัยเกิดตัณหานะเมื่อสุขเกิดสุขเวทนาก็เกิดตัณหาตัณหาคือคืออยากอยากเพิ่มขึ้นอยากจยากหนึ่งเป็นสองอยากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดบวกทวีคูณขึ้นไปอยากและกะ้วก็ยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาเกิดความอยากตัณหาที่พูดในทีนี้มันเป็นตัณหาใหม่ที่เกิดขึ้นนะ เนื่องจากว่า <Ox> ต um> ัณหาเก่ามันมีเป็นเ้าเป็นมูลอยู่แล้วในเมื่อปฏิกิริยามันเกิดขึ้นมาตามเส้นสายแบบนี้ตัณหาใหม่ก็ย่อมเกิดเกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นทวีคูณขึ้นเพราะฉะนั้นตัณหาเก่าเนื่องจากว่าเรามีอยู่แล้วตัณหาใหม่ก็เพิ่มขึ้นก็เกิดขึ้นนี่เบทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเมื่อเกิดตัณหาแล้วก็ยืดเอาอุปาทานเมื่อเกิดอุปาทานแล้วเกิดเกิดพบ มันพูดไปถึงพบที่เกิดด้วยใ น, นเมื่อจิตชอบใจยังไงจิตก็ไปจะต้องไปเกิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตัณหากับอุปาทานเนะี่ยจึงเป็นเหตุใกล้ทำให้เราไปเกิดที่นู่นที่นี่ที่พพนู่นพบนี้ตัณหากับอุปาทานอุปาทานคือยึดอะไรพายึดจิตพายึดอะไรพาจิตยึดกิเลสพาจิตยึ ด, ยดมันยึดเพราะอะไรมันยึดเพราะมันรัก มันยึดเพราะอะไรมันยึดเพราะมันชังรักก็ยึดชังก็ยึดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วรักก็เป็นกิเลสชังก็เป็นกิเลสมันยึดไปหมดเนี่ยตัณหาเป็นปจัจจัยคืออุปาทานอุปาทาคือคือยึดจิตมันยึดก็เหมือนอย่างเรานึกเราปรุงเราคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปปรุงไปคิดไปปรุงไปเดี๋ยวเราก็ไปตามไปทําตามที่มันพ่านึกผาคิดผาปรุงทั้งนั้นผ่านึกพาคิดผ่าปรุง เป็นไปตามาของของความนึกความคิดของความอยากเลยเยึดยึดยังไงก็ไปเกิดอย่างนั้นยึดยังไงก็ไปทาอย่างนั้นจิตใจของเรายึดยังไงพบชาติในโอกาส ต, ต, ต่อไปเราก็ต้องไปเกิดอย่างนั้นไปเกิดตามที่จิตมันยึดเพราะมันใกล้กับความอยากของจิตมันโน้มเอียงไปยังไงมันก็จะไปอย่างนั้น มันยึดในสิ่งที่ดีที่งามก็ไปเกิดในสิ่งที่ดีที่งามมันยึดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันก็ไปเกิดในที่ตกต่ําไม่ดีไม่งามเป็นปัจจัยเกิดพพเป็นปัจจัยเกิดชาติเมื่อชาติเกิดขึ้นมาแล้วหมายว่าอัตภาพไปเกิดไปปรากฏที่นู่นที่นี่แล้วเป็นพพนุนพพนี้เหมือนอย่างเรามาปรากฏในพพมนุษย์เนี่ยแต่ที่มันมาเป็นเส้นเป็นสายตามหลักที่ไล่มานี้มันมาด้วยมันของกรรม มันมีกรรมตามมากรรมเพิ่มพูนทวีคูณบวกขึ้นเพิ่มขึ้น อ, อย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งลดลงในเมื่ออย่างหนึ่งลดลงอย่างหนึ่งต้องเพิ่มขึ้นในเมื่อบุญเพิ่มขึ้นบาปก็ต้องลอดลงเมื่อบาปลดลงบุญก็ต้องเพิ่มขึ้นมันก็จะหาหาแหวกหาแหกันไปอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเราได้อัตภาพมาเราก็ทุกข์ เราดูที่อัตภาพของเราเนะี่ยทุกอย่างไงบ้างออกจากท้องแม่มาก็ร้องอแวทันทีใช่ไหมมาเรามาถูกอากาศเจ็บแสบปวดร้อนร้องขึ้นมาทันทีกัำมืองกำตีนมัดมือมัดตีนร้องขึ้นมาทันทีนั่นแหละกองทุกข์อันนี้เป็นทุกขกัสภาวะเป็นทุกข์ที่ไม่พอใจจิตไม่พอใจแต่ถ้าเป็นสภาวะของทุกข์จริงๆ สภาวะที่มันถูกผละกใสออกมาโดยลําดับนับตั้งแต่แรกเกิดเท่ากับเป็นน้ําหยดเดียวนั่นแหละเปลี่ยนม่เรื่อยเปลี่ยนม่เรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนม่เรื่อยนั่นแหะคือตัวทุกข์ทุบแปลว่าทนได้ยากคำว่าทุกข์แปลตามศัพท์แปลว่าทนได้ยากหรือมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือมันอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้ถั้งยี่หัดทุกข์ เราเห็นไหมอัตภาพของเราเนี่ยมันทุกข์มันทุกข์ ม, กมาเรื่อยทุกข์มาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยอันนั้นโดยโดยลักษณะโดยสภาวะอืโดยสภาวะของมันโดยรูปธรรมโดยนามธรรมก็คืออมันแสดงกิริยาร้องไห้ขึ้นมาก็แสดงว่าจิตไม่พอใจจิตไม่ชอบใจทําอะไรไม่ได้ก็ร้องไห้ขึ้นมานั่นคือความทุกข์ทุกตั้งแต่อแวตั้งแต่ออกมานะ่ะทุกตอนนั้นด้วยนะ ตอนนั้นน่ยใครทุกข์บ้างเราขอทุกแม่กอทุกข์ทุกเกือบตายทุกปางตายทุกจนตายบางคนตายตายพราะขอดลูกตายพราะอดบุตรบางคนแม่ตายลูกยังอยู่บางคนลูกตายแม่ยังอยู่บางคนตายทั้งแม่ทั้งลูกบางคนรอดทั้งแม่รอดทั้งลูกสุขสบายทั้งแม่ทั้งลูกมันก็มีอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเลยความทุกข์คือกองทุกข์ ออกมาแล้วก็ต้องใส่นุ่นเข้าไปใส่นี่เข้าไปโอขึ้นมาแล้วก็ต้องทำมาหากินเรารู้ที่การทำมาหากินสุขสบายสะดวกสบายทุกอย่างลําบากขนาดไหนเป็นเหตุเราต้องดิน้นต้องรนทำมาหากินทุกอย่างลาบากกันได้กว่าจะได้ขอมาขอบมาฉันเสื้อผ้ามานุ่งมาหม่มที่อยู่มาอยู่มาหลับมานอนเจ็บไข้ได้ป่วยกว่าจะได้ยุดได้ยามาแก้ไขมาดูแลมารักษามันทุกมันยากมันลําบาก มันทุกข์มันยากมันลําบากมันกันด่านถึงขนาดนั้นเ่ะทุกทุบร่างกายแล้วก็ไม่พอแล้วก็ทุกใจอีกตั้งหากบางทีไม่ได้คิดนึกเรื่องกายโดยซ้ําไปคิดนึกเรื่องนั้นโอ้ยเราขาดสิ่งนู้นโอ้เราขาดสิ่งนี้คนนั้นเข้ามานั้มีอันนั้นเราไม่มีเหมือนเขาคนนี้เขามีอันนี้เราไม่มีเหมือนเขาทุกน้อยเนื้อทุกต่ําใจทุกไม่สมใจทุกไม่ถูกใจทุกผิดหวังสารพัดทุกทุกที่ใจนะ นอกจากทุกข์ใจแล้วก็ทุกข์กายความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เราต้องได้แบกได้หาบได้หามกันอยู่ทุกระยะทุกเวลานอกจากนั้นแล้วทุกขุจาระทุกปัจสาวะเราดูสิทุกแบกทุกหามของหนักของเบาทุกขุจาระทุกปัจสาวะทุกเป็นโรคเป็นภัยเก็บเจ็บไข้ได้ป่วยทุกสารพัดนี่เวลามันมีที่เราเราถึงจะรู้จัก แต่ถ้าไม่มีที่เราเราก็หลงเราก็เพลินไปเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายลักษณะเหล่านี้สาเหตุต้นต่อมาจากไหนรู้ไล่มาจากอาวิชชาเป็นปันใจจัยเกิดสังขารมันมาจากต้นต่อตรงนั้นเพราะฉะ้นพระพุทธเจ้าท่านทร ง, ทรงให้ประพฤติให้ปฏิบัติให้ชาระให้ชาระให้จิตนี่เกิดวิชชาขึ้นมาเกิดความรู้เกิดความรู้ทันกิเลสเพื่อให้กิเลสมันมันแสดงตัวเป็นสมุทยัย เป็นเหตุเป็นระลอกเหมือนระลอกน้ํำนะเหมือนระลอกคลื่นมันตีคลื่นตีตีตีตีไปเป็นจนกระทบฝั่งตีตีตีไปไปหายที่ฝั่งกระทบฝั่งคลื่นคือคลื่นของความทุกข์คลื่นของกองทุกข์อะไรคือเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็เจ็บใขรได้ป่วยแกแล้วก็ตายก็จบไปอัตภาพหนึ่งอหรือบุญกรรมที่ทําไว้ทําบุญมากเออไปเกิดในที่ดีหน่อย ทำบุญน้อยโอยไปเกิดในที่ทุกข์ยากที่ลำบากที่กันดันยังไม่จบทำไมชี้ยังไม่จ บ, รรจบเพราะกิเลสมันยังไม่จบยังไม่ได้แก้กิเลสกิเลสยังไม่หมดตันหาอุปาทานยังเต็มแปรอยู่นี่แหละความเป็นไปในอ ใ, ในวัตฏสงสารอัตภาพของเราอัตภาพของท่านอแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยผ่านมาแล้วม่รูกี่กับกี่กันไม่รู้กี่กั บ, กก ไ, มกกบไม่รู้กี่วิวัตะกับอ เป็นกลับเป็นการมาไม่รู้เท่าไรเราจะต้องเผชิญเราจะต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระศาสดาชี้ทางตรงนี้เพื่อให้เราเดินตามพระองค์ไปเนื่องจากพระองค์สร้างบุญญาบา ร, รมีจนสแสวงหาพบช่องพบทางตรงนี้พาเราเล็ดเราลอดออกไปได้เป็นโชคเป็นโอกาสมหาศาลกับ กับผ er ู้ที่ได้ประสบพบเห็นและมีโอกาสได้ศึกษาและประพฤติได้ปฏิบัติผู้ที่ฉลาดเมื่อได้ยินได้ฟังรู้ว่าที่เป็นไปเพื่อความสุขอย่างนี้ที่เป็นไปเพื่อความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ย่อมเก็ดหลาบในความทุกข์ในเหตุให้เกิดความทุกข์ล้วก็ยินดีพอใจในเหตุให้เกิดความสุขชาระความสุขขัดเปล่าความชำระความทุกข์ขัดเปล่าความทุกข์ อ่าให้เพิ่มพูนทวีคูณความสุขขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปอัตภาพหนึ่งหนึ่งเขมีแค่นี้เองสิ้นสุดที่ตายอัตภาพร่างกายคือตายอัตตะอัตตะหมายถึงตัวตนที่เป็นชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งอัตภาพดับไปแล้วก็คือตายาตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟก็เน่าเปื่อยไปดินไปเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอ่า วิญญาณคือจิตเอไม่ตายจิตไม่ตายจิตจะต้องไปเกิดที่ใหม่จิตจะต้องไปจับจองพบชาติใหม่เนื่องจากว่าระหว่างที่ก่อนที่จะตายจิตมีอะไรหนักกว่าจิตมีบาปหนักกว่าจิตก็ต้องไปที่ต่ำจิตมีบุญหนักกว่าจิตก็ต้องไปที่สูงไปที่บุญไปตามอําอนาจของกรรมที่เราสังสมอบรมเอาไว้ไปเกิดอีก เกิดอีกกับทุกข์อีกยากอีกลำบา ก, อ, กอีกแกแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอีกอันตรภาพหนึ่งเกิดอีกอาหาที่เกิดอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้สัจธรรมคือทุกข์สมุทัยนี้รอดมากาเป็นผู้ที่ทําให้วัฏสงสารนี้นยืดยาวไปอย่างไม่มีที่จบไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ การที่เรามีโอกาสมีช่องทางศึกษาทำปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาเพื่อให้พ้นจากทุกข์อืเราท่านต้องการพ้นจากทุกข์เมื่อเรารู้ช่องทางแบบนี้แล้วควรมีแก่ใจในการตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมทุกอย่างลำบากแต่ว่ามันอยู่ในช่องอยู่ในทางอยู่ในกรอบของศีลของธรรมไม่ไม่ไมแหวกข้อของศีลไม่แหวกข้อของธรรม เราจะต้องไปไหลไปตามกระแสที่พระองค์ทรงแสดงไว้เพราะเราอยู่ในกรอบยังไงๆเราก็ไม่ตกออกไปออกไปจากกรอบอกรอบสินรักษาไว้ต้องรักษาศินโดยยิ่งเหมือนจามรีรักษาขนต้องรักษาสมาธิจิตโดยยิ่งเพื่อเป็นกําลังเพื่อเป็นพลังให้กับจิตในการพินิจพิจารณาเพื่อที่จะได้รู้เหตุผลต้นต่อ สาเหตุให้เกิดความทุกข์ที่เะเรียกว่าสมุทัยอย่างชัดเจนแก่มแก้งรู้เท่าทันแล้วก็ถอนออกได้ต้องศึกษาอย่างแท้จริงทุกคนอยู่ท่ามกลางโอกาสทุกคนมีโอกาสเราต้องเอือ้ออำนวยโอกาสให้กับตัวเองในเมื่อเ ร, เรามีโอกาสแล้วเราไม่เอาเรายนไปให้นูนพพชาติของพระสรีอริยเมตไตร กว่าจะถึงพระษีระยะเมตไตรตอนนั้นท่านมาอุบัติเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็เรื่องของว่ากิเลสมันทับถมโจมตีหัวจิตหัวใจของเราแหละไม่ได้เราจะสร้างคุณงามความดีไปตลอดที่ไหนบางครั้งบางคราวเราก็ต่ําต่ำลงต่ําลงจิตใจมันต่ํามันตกอับมันก็ต่ําลงต่ําลงพอถึงคราวที่พระองค์มาเมาบัตมาจราเราไม่รู้ไปอยู่นรกขุมไหนก็ไม่รู้บางทีกไปเป็นสัตว์ในร่ช้างก็พลาดโอกาสไ ป, ไปอีก ะพลาดโอกาสเข้าไปอีกโอ้ยทีนี้ไม่รู้กี่กรับกี่คันจะได้เจอพระพุทธเจ้าอืมเพราะฉะนั้นพระสมณะโคดมเรายังมีพระธรรมวินัยเพียบพร้อมอยู่อมีธรรมะแก่มแจ้งชัดเจนซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสอนเราอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งที่จะให้เราให้เราดําเนินตามมีอย่างเดียวที่เราตั้งอกตั้งใจเสียสละด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อที่จะเดินตามท่านไปเท่านั้นแหละอื ไม่เหมือนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสวงหาด้วยพระองค์เองยากลาบากขนาดไหนแต่ด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ก็สามารถพบจนได้เจอจนได้ประสบพบเห็นมันลุลุ่ม่วงไปจนได้พาสัตว์ทั้งหลายข้ามออกจากกองทุกข์ในวัฏสงสารได้แต่ก็ได้ไม่หมดหดอกได้เท่ากับนิสัยปัจจัยของสัตว์ที่มาเกี่ยวข้องกับพระองค์เท่านั้นแหละที่ยังเหลือนอกนั้นก็คือเป็นไปตามวิสัยของสัตว์โลก เนื่องจากความยินดียินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจมันแตกต่างกันเราจะเห็นในโลกนี้มีศาสนาลหลายศาสนาอพุทธคริสต์อิสลามนี้ซิดพราหมณ์นี้เต็มไปหมดล้วนแต่สอนเรื่องศาสนาแต่เขาบอกว่าทุกๆศาสนาสอนให้เรามีความสุขเหมือนกันสอนให้เรามีความสุขเหมือนกันก็จริงอยู่แต่สอนให้เราได้รับความสุขไม่เท่ากันอ กูบาอาจารย์ท่านเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับแสงในท้องฟ้าเนี่ยแสงอาทิตย์กับแสงเดือนกับแสงดาวกับดาวดวงใหญ่กับดาว ด, งดาวดงเล็กกับแสงหิ่งห้อยเนี่ยใช่ไห ม, มให้ความสว่างเท่ากันไหมไม่เท่ากันให้ความสว่างไม่เท่ากันแต่ให้ความสุขพูดได้ว่าให้ความสุขเท่ากันอยู่อืเพราะฉะนั้นเนี่ยมรรคอริยมรรคมีองค์แปด เท่านั้นที่จะทำให้เราทะลุทะลวงออกจากกรงขังของวัฏฏะสงสารนี้ไปได้ทางอื่นศา ส, สดาอื่นศา ส, สนาอื่นไม่มีมัสมีองคแตกมีแต่ศา ส, สนาพุทธนั้นมีมัสมีองแตกเพราะฉะนั้นเราควรภาคภูมิใจหรือตั้งใจฝึกฝนอบรมให้ประสบความสุขความเจริญตามที่เราตั้งความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยกันทุกคน ไม่ใช่สักเท่ว่าสักแท่ว่าเป็นนิ ส, สยัยเป็นปัจจัยได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาแบบนี้กิเลสเอาไปหมดไม่มีเหลือดอกต้องได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ก็ต้องเอาต้องเอาให้ได้ก็ต้องนึกต้องคิดต้องตั้งอดมกติอยู่อย่างนี้แล้วเราก็เดินไปด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจในระว่างที่ตั้งใจเดินไปก็ได้รับความผาสุขได้รับความร่มเย็น ด้วยความมุ่งมั่นไม่หยุดไม่ถอยก็จะถึงหลักชัยจนได้นะเอาละพอสมควรกันเวลา